อันหนึ่งคุณอย่างอื่นเช่นชาอภิญญาศราก็มีแก่ปุถุชนทั้งหลายได้เปรียบเสมออาหารมีหญ้าและใบไม้เหลืองเป็นต้นเป็นอาหารทั่วไปแก่โคและกระบือเป็นต้นเข้าไปในท้องช้างที่มีกลิ่นหอมก็ยังคงมีกลิ่นคันธชาต์เนะี่ยชั้นใดแม้คุณที่ทั่วไปแก่พระเสขาเสขาและปุถุชนทั้งหลายพอมาถึงพุทธสันดาลแล้วย่อมไม่ทั่วไปชั้นนั้นนั่นเที่ยวนะคุณของปุถุชนก็ดีเนี่ยนะ คุณของพระาริยะบุคคลทั้งเสขาเสขาทั้งหลายเนี่ยน้อยมากถ้าเทียบกับคุณของพระเจ้าฉั้นการที่บุริชนทั้งหลายพลนาและคิดถึงคุณของพระเจ้าเนี่ยที่ระดับคนมีปัญญาระดับภาริยาเนี่ยคิดได้อย่างลึกซึ้งเี่ยบุริชนทั้งหลายคิดแล้วไม่ได้ทั่วไปหรอกย่อมเป็นดุดพยายามใช้จะงอยปากยุง่งเจาะเพชรเท่านั้นว่างั้นทีนี้ถ้าถามบอกว่า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 ได้ข้อสรุปในใจแล้วว่าพุทธคุณนั้นเราเป็นปุถุชนใช่ไหมปุรุชนมีสองกลุ่มอันทบุรุชนกับกัญยาณบุรุชนถ้ากัญยาณบุรุชนแล้วต้องคิดต้องคิดถึงคุณของพระบรมศาสดาถ้าไม่ระลึกถึงพุทธคุณเขาจะพ้นทุกข์ในสังสารวัฏได้อย่างไรจะไปถึงฝั่งอนุปาธาปรินิพานในทางไหน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 ฉะนั้นการที่จะพ้นทุก์ได้การที่จะเข้าถึงความดับทุก์ได้การจะปรินิพานได้นั้นน่ะบุคคลเหล่านั้นต้องเห็นคุณของพระศ า, ศาสดาฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายเมื่อสาธยายพระธรรมคําสอนแต่ละบทนั้นน่ะต้องคีดหเห็นพระศาสดาคีดหเห็นคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้ว่าเราท่านทั้งหลายที่รู้จักบุญบาป ค, คุณประโยชน์โทษและไม่โทษไม่เป็นโทษทั้งหลายนั่นน่ะพระศาสดาฝากไว้ พระเสขาและเสขาทั้งหลายจะระลึกถึงพุทธคุณก็ตามไม่ลึกถึงคุณก็ตามแต่กระยาณนาะุู้ดูชนพึงละเรื่องอื่นๆเสียอย่าไปห่วงเขาอย่าไปห่วงพระเศขาอย่าไปห่วงพระเศขะท่านจะละลึกหรือไม่ละลึกใช่ไหมเราบางทีไปอ่านพระไตรปิฎกบางสูตรเนี่ยบางทีท่านไปเจริญหมวดอื่นอยู่เนี่ยเราก็นึกเอ๊ะทำไมพระเสขาบุคคลอะเศคาบุคคลท่านไม่เจริญพุทธคุณเลยเนี่ย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 เอาเรียวแรงมีอะไรบ้างอ่ะศรัทธานะ่ะคือแรงให้เป็นพระให้เป็นศรัทธาพละวิรยิยะทําให้เป็นพระสติทําให้เป็นพระสมาธิทําให้เป็นพระปัญญาทําให้เป็นภระเออเรียวแรงทั้งหมดใช้เรียวแรงทั้งหมดเนี่ยใช้แล้วทํำยังไงบอกว่าพึ่งก็ทําให้คล่องแคล่วพึงเรียนตอนนี้เริ่มเรียนเพื่อคนนี้อย่าง บางคนบอกโอ้ยจะฟังพุทธคุณบอกอุ้ยเป็นของง่ายสู้เรียนสติปัฐานไม่ได้เขาไปเออครัวสู้เรียนปัฐานไม่ได้ปฐานลึกซึ้งกว่าใช่ไหมเคยได้ยินไหมไม่รู้จักพุทธคุณเ น, นี่ต้องจับมาอาบน้ําเรียนพุทธคุณใหม่เอาเรื่องจริงใช่ไหมท่านบอกว่าต้องใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดนะถ้าจะเรียนพุทธคุณเนี่ยเรี่ยวแรงทั้งหมด แล้วก็พึงกระทาให้คร่องแคล่วพึงเรียนพึงสอบถามพึงเจริญพึงกระทาไว้ในใจนี่แปลว่าอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นจะพ้นทุกข์ไม่ได้ต่อไปแล้วกลับไปแล้วถ้าใครมาสเก็บอกอย่ายุ่งจะเรียนพุทธคุณนี่เนะมึงจะสอบถามพุทธคุณจะอ่านพุทธคุณใช่ไหมบางทีโอ๊ยผลิตคำเพียวไว้กันเยอะแยะหมดทั้งพุทธประวัติทั้งสัมภารวิบากทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะมองถามมองคน ถามบางคนน่าชื่นใจนะเนี่ยยอมก็อ่านไม่ค่อยออกนะแต่ยอมอ่านจบไปสองรอบแล้วนี่ฟังแล้วชื่นใจนะแต่บางคนหูยย้อมอ่านคล่องแต่ไม่มีเวลานี้ดีว๊วใช่ไหมเอ๊มีเวลาทําอย่างอื่นแต่ไม่มีเวลาอ่านพุทธคุณเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดกลับไปตั้งต้นใหม่เป็นเพราะอะไรใช่ไหมเพราะอย่างนี้นี่แหละเราจึงไม่ค่อยจเจริญงอกงามในศาสนาของภาษาสดาแน่นอนใช่ไหมจ๊ะ พราเราไม่ใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดนี่หรือหมดแล้วเอา้าศรานี่ต้องมีอาหารก็ใส่อาาหให้อาหารเสริมไปเดี๋ยวนี้เขาชอบสแสวงหาอาหารเสริมใช่ไหมเอา้ารู้จักอาหารเสริมของศรธธานียก็ในพุทธคุณไงอาหารเสริมเสริมอย่างดีด้วยฉะนั้นเมื่อการยาณบุรชนนะนะ ใช้เรียวแรงทั้งหมดกระทาให้คร่องแค่วเรียนและสอบถามพึงเจริญกระทาไว้ในใจอย่างมั่นคงแล้วกัะยาณปุรุชนอย่างนั้นย่อมเจริญด้วยศรัทธาย่อมเจริญด้วยศีลย่อมเจริญด้วยสุยดสตาย่อมเจริญด้วยจาค้าและปัญญาในเรื่องนั้นมีข้าอุปมาว่าช่างภายในนะช่องภายใ น, ยในมเมร็ดประกาศก็ดีในหม้อก็ดีในโอค์ก็ดีในอ่างก็ดีเนี่ยนะที่โยนในมหาสมุทร ย่อมรับเอาน้ําพอประมาณของตัวเท่านั้นจะรับน้ํามาจนหมดมหาสมุทรไม่ได้แม้ฉันใดปุรุชนกัลยาบุรุชนเป็นต้นกระฉันนั้นเหมือนกันนะเอาแล้วกัลยาณนะ์นปุรุชนพระโสดาบันพระสะกาทาคาพระนาคาพระฐานก็รับพุทธคุณของคุณของพระทเจ้านะั้นนั้นพอประมาณของปัญญาของตนของตนใช่ไหมไอ้ในบรรญาปุรุชนกัลยาบุรุชนรับคุณของพระเจ้าที่เท่ากันไหม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 บางคนก็ได้แม้เพราะเหตุแห่งทานบรารมีไงแม้เพราะเหตุแห่งศีลบรารมีเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานะเมตตาเบขาไงแม้พเพราะเหตุเหล่านี้ไงเอาหมดแค่นี้แล้วเอาแม้เพราะเหตุอุป ป, ปารมีสิบปรมาธรรมบารมีสิบไงสาสิบทัศไงโอ้โหแต่นี้ลายยาวเลยบางคนเนี่ยเหตุนั้นเนี่ยนะเหตุที่พระบรมศาสดาสั่งสมมาอย่างยาวนานมากมายนักไง สังสมอัธยาศัยจงอัธยาศัยทั้งหกคืออะโลพัธยาศัย ก, กว้างขวางขึ้นอโทสัธยาสายัยโมหัธยาศัยใช่ไหมนิสารณัธยาสายัยปริเวกัธยาศัยเป็นตัวอะเนี่ยอัธยาศัยทั้งหก็กว้างขวางอลึกซึ้งขึ้นแล้วก็สติปทานสมมติปทานอิทิบาทอิน ท, ท, ท, ท, ท, ทรีปราพโฉงเรียมะแม้เพราะเหตุอย่างนี้ไงบ่มเป็นมายี่สิประสงคกายยิงด้วยแสนกลับบ้าง สี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับแปดสิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับนี่ไงแม่พราะเหตุอย่างนี้ไงเก็บรายละเอียดได้เยอะหมดเลยเพียงแค่แม่พราะเหตุนั้นแค่นั้นแหละแต่บางท่านในแม่พราะเหตุนั้นมันได้แค่นี้ทําไงจะไม่ใช่จะว่าไงนี่ไงบอกว่ายอมรับคุณของพระบรมศาสดาพอประมาณแห่งปัญญาของตนของตนจะรับหมดพระคุณไม่ได้จริงอยู่นะ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 นี่เราวังละตั้งศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์เอาเราเชื่อคุณถ้าศรัทธาเนี่ยไปตั้งมั่นในศีลเนี่ยเชื่อว่าศีลจะทําให้เราพ้นจากทุกดาพ้นจากใบยภูมิเป็นต้นได้นี่ศรัทธาตั้งมั่นในพระธรรมก็ตั้งอย่างนี้เหมือนมานบนมอ่ะท่านมีความเชื่อว่าคุณความดีปฏิบัติดีต่อคุณพ่อก็กุแม่เนี่ย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 คนที่มองดูอยู่เนี่ยเขาจะอุทานว่านี่ใช่แล้วคนอย่างนี้นี่ใช่ถ้าเห็นว่าอยู่สองสามตอมแล้วจมเนี่ยอยงไม่ใช่ใช่ไหมนี้สิไม่ท้อเลยอ่ะบอกไหวไม่ไหวถึงฟังไม่ถึงยอมแพ้ไม่ไม่ยอมทําไมเชื่องไงเห็นไหมศรัทธาเนี่ยศรัทธาจะตั้งมั่นในศีลแล้วจะไม่ยอมทุศีน่ะ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 ก็มีอุปการะมากไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าจะจัดแจงด้วยกายและด้วยวาจาบอกว่าเนี่ยแค่คิดอย่างเดียวเป็นบุญนะวะ่างั้นเถอะยังไม่จัดแจงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมเลยแค่คิดทางมโนกรรมอย่างเดียวเนี่ยบุญก็มโหสารมาโหลานแล้วคิดที่ท่านทั้งหลายคุณของพระบรมศาสดานั่งคิดยืนคิดเดินคิดใช่ไหม นอนไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยนอนคิดเนี่ยคิดได้แป๊บเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยนี่เนียก็คือว่าจริงๆท่านนอนด้วยนะนอนก็คิดถึงคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นด้วย <c oughs> ใช้กรรมทางมโนทวานนี่แหละตรึกถึงคุณของพระบรมศาสดาถ้าหายเหนื่อยก็ใช้ทางกายทางวาจาปนมมือกล่าวสรรเสริญคุณของพระบรมศาสดาไปเถอะ ท่านทั้งหลายได้ดิบได้ดีนะเราจะพ้นจากสังสารวัฏได้ด้วยการอย่างนี้ด้วยซ้ำไปนี่พระเจ้ารับรองไว่าดูก่อนจุนท้าอภะจุนท้าปรินิพานยังพระจุนทานนิพานแล้อยังนิพานแล้วดูก่อนจุนท้าเราตถาคตกล่าวว่าแม้เพียงความคิดเกิดขึ้นในกุศลธรรมทั้งหลายก็มีอุปการะมากมีผลมากมีอนิสงฆ์มาก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 เหมือนบดดูดขี้ขาดมีหม้อเล็กๆไม่กล้าไปตักน้าในมหาสมุทรเพราะกลัวไงกลัวคลื่นในมหาสมุทรแล้วกลัวไอ้นะ้หม้อแล้วเล็กๆบางคนมาศึกษาคุณของพระบรมศาสดาบอกมีมากโอ้ยไม่คิดหรอกเรามีปัญญาโ น, น้โนเราไม่รูเจอคําสอนของพระบรมศาสดาเรไม่อ่านหรอกเราไม่ค่อยมีเวลาเข้าใจยังต่อไปกลับไปอ่านกลับไปฟัง นี่อามาเนยไม่ใช่ไปพูดว่าโอ้ยกตัวเองอามาก็อามากลัวที่สุดก็คือว่ากลัวว่าใจของตนเองจะเสื่อมจากคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีวันไหนที่จะไม่พัลนาไม่สารเสริญไม่ฟังคุณของพระพุทธเจ้าไม่อ่านคุณของพระพุทธเจ้าอามาพูดคุณเนี่ยนะทําไมอามาน้อมที่จะมาบรรยายคุณของพระพุทธเจ้าเพราะอมาได้สอนตอนเองไง พาอามาคิดว่าตนเองเนี่ยเป็นบุคคลที่สอนยากอามาก็น้อมสอนตัวเองเตือนตอนเองสะกิดใจตนเองตลอดเมื่อสอนเสอ็จมาก็ไปฟังอยู่นั่นแหละฟังอยู่นั่นแหละทำไมต้องฟังอามาต้องการขยายพุทธคุณในใจอามาให้กว้างใหญ่ไพศาลนะี่ยไม่ใช่หยุดอยู่หรือไม่ใช่หดลงอพระคุณของพระบรมศาสดาในห้องใจามาจะต้องขยายให้ได้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 ต้องเรียนต้องสอบถามต้องเจริญแล้วต้องเอามากําหนดไว้ในใจใช่ไหมพุทธคุณใช่สติปัฏฐานไหมพุทธคุณนี่แหละคือสติปัฏฐานถ้าจัดในนามมาทำทั้งหลายในยจัดเข้าในธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานฉะนั้นเจริญพุทธคุณก็คือเจริญธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานเขาใจอย่างเจริญพุทธคุณก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วทําไมจะไม่เจริญละ่ะคนไม่เจริญสติปัฏฐานพนทุกได้ไหม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 อเราจะต้องได้น้ามากรีบถือหม้อไปยังมหาสมุทรอาบเดิมกินความกะวลกะวายก็ระงับไปเพราะเล่นน้ำแล้วก็ตักน้ำเต็มหม้อทํากิจที่ต้องการที่จะใช้ร่างกายก็สะอาด ก, ก็มีความสะดวกสบายฉะนั้นอยากกลัวพุทธคุณอยากคิดว่าพุทธคุณนั้นน่ลึกซึ้งเราเลยคิดไม่ได้ แม้พระบอกว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันเนี่ยพารณาคุณของพุทธเจ้าด <Okay. S 1> mm ้วยกันอ่างจังกับนี้สิ้นไปคุณของพุทธเจ้าก็ไม่หมดใช่ไหมที่อามาเคยกล่าวไว้ครั้งก่อนนั่นที่บอกว่ามีพระเถระสมัยพุทธกาลพุทธกาลรักขิตาที่สมัยลังกาที่เทศนาพุทธคุณนาคถาที่บอกว่าให้กับพระราชาฟังพระราชาบอกยังไม่อิ่มหนำต่อการฟังพุทธคุณกถาขอให้พระเถระช้อุปมาให้หน่อย พระเทระก็เลยอุปมาว่าเหมือนกับตนเองนั้นเข้าไปในในในดาข้าวสาลีอ่ะหยิบรวงข้าวมาเมล็ดหนึ่งมเมล็ดข้าวหนึ่งมันหนึ่งรวงเนี่ยนะเออนี่หยิบรวงข้าวมานหนึ่งรวงข้าวหนึ่งรวงเนี่ยมีเม็ดอยู่นิดหน่อยแค่เนี้ยแคนั้นพุทธคุลที่อาจจะมาแสดงทั้งวันทั้งคืนหนึ่งสิบสองชั่วโมงเนี่ยก็เท่ากับมเมล็ดข้าวใ น, นเนี่ยหนึ่งรวงที่อยู่ในมือมือนะว่างั้นน่ยของบุรุษคนนั้นแหละ ส่วพุทธคุณที่ยังไม่ได้นำมากล่าวนั้นเหมือนเมล็ดข้าวสาลีทั่วในทั่วชมพูทวีปนั่นแหละคือคุณของพระพุทธเจ้าแล้วอีกอุปมาหนึง่งที่บอกว่าเหมือนกับมีบุรุษคนหนึ่งใช้เข็มงงย่อนลงไปในมหาสมุทรน้ําที่รอดรูเข็มนั่นแหละคือพุทธคุณที่อ่านมาแสดงสิบสองชั่วโมงว่างั้นแต่น้ําที่อยู่ในมหาสมุทรทั้งสิ้นนั้นคือคุณของพระบรมศาสดาที่ยังไม่ได้กล่าวเอายังไม่จุใจขออุปมาอีก พระเถรซาก็เลยอุปมาบอกเหมือนกับ น, นกแอ่นลมไงบินบินไปน่ะหางก็ดีปีกก็ดีที่ถูกถูกต้องลมอะ่ะนั่นแหละคือพุทธคุณที่ที่อาตมาแสดงสิองชั่วโมงแต่อากาศทั้งสิ้นจักรวาลทั้งสิ้นที่ยังไม่ได้ลมทั้งสิ้นหรืออากาศทั้งสิ้นที่ไม่ได้ต้องถูกถูกปีกและหางของนกนั่นแหละที่ยังเหลือทั้งหมดนั่นคือพุทธคุณที่อาตมายังไม่ได้นำมากล่าวโอ้โหพ ร, ราชาสาธุสาธุปีติทั่วสะพานเลยมั้ย คนยืนฟังได้สิบสองชั่วโมงและไม่ไม่พลาดจิตไปทางอื่นถ้าเจอคนอย่างนี้ก็น่าจะอุปมาให้ฟังทั้งคืนใช่ไหมใช่สำคัญว่าเริ่มแปรงยายก็เริ่มหลับตั้งแต่คำแรกเลยไม่รู้จะอุปมาอะไรเลยแต่เนี้ยนะฉะนั้นกาลยานบุตุชนก็เหมือนกันไม่พึงเป็นเหมือนกับบุตรที่ขาดเกียร์คานคิดว่าพุทธคุณทั้งหลายกาหนดประมาณไม่ได้ เราจะใช้ปัญญาน้อยนิดของเราอย่างลงได้อย่างไรพึ่งเป็นเหมือนบุรุษผู้กล้าไม่สะดุ้งกลัวนั้นอย่างลงสู่สาครกล่าวคือพุทธคุณทั้งหลายนะอย่างลงเลยคิดเลยคิดในคุณของพระบรมศาสดานั่นแหละชำระมณทินที่มีอยู่ในจิตสันดานเสียคือราคะโทสะโมหะด้วยปีติมีพุทธคุณเป็นอารมณ์อะดับความกวนกวายความเร่าร้านานอนทุอกิเลสออกเรียนพุทธคุณแต่ละบทแต่ละบทนะเรียนปะ อิติปิโสพัควาคืออะไรอรหังคืออะไรสัมมาสัมบุตโธคืออะไรวิชาจารณาสัมปันโนคืออะไรสุขโตโลกวิทูนุตโตปุเรศามสารถิสัทธาเดวานุสานังพุโทโธพัควานี่นะแล้วก็ไปขยายติศัพท์สุดทยัยอย่างอย่างที่อามาขยายไว้เนี่ยเรียนจําพุทธคุณพอประมาณแก่ปัญญาของตนก็ยังอุปจารลสมาธิเกิดแล้วก็เจริญนิปัสนาเป็นประทัด ฐ, ฐานเบรรลุอรหัตมรักอรหัตผลได้ลองคิดดูที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 มารบรุษก็เช่นนั้นเหมือนกันนะ่ะให้คุณอะไรนั้นไว้มาหาบุรุษนั้นได้ให้อะไรเป็นวิเศษไว้นะ่ะนะตรงนี้ท่านบอกว่าท่านทั้งหลายจงกล่าวคุณไม่ใช่น้อยของพระมาะบุรุษผู้เกิดแล้วในโลกพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อท่านทั้งหลายกล่าวคุณของพระมาบรุษถ้านเราจะกล่าวคุณของพระเจ้าท่านบอกว่าปากไม่พอจะกล่าวท่าบอกจะมีปากท่าไม่รู้กี่ล้านล้านปากเนี่ยเนอะก็ไม่พอจะกล่าวข้า บอกว่าบุคคลผู้เสมอหรือสูงสุดกว่าพระมหาบุรุษนั้นย่อมไม่มีท่านบอกว่าพระมหาบุรุษนั้นไม่ได้อะไรท่านบอกว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยนะเมื่อท่านไข้ควรพิจารณาอยู่เนี่ยมา พ, พิจารณาบอกว่าถ้านับจากปัจจุบันนี้ไปถ้าเรานับย้อนหลังไปใช่ไหม ถ้าในที่เราจะศึกษากันในบารมีเนี่ยก็ย้อนไปถึงสี่สงไขยยิ่งด้วยแสนกับจะต้องนับตรงนี้แต่เพราะเราศึกษาสมราริปากเราศึกษามาแล้วไงก็ต้องไปเชื่อมกันในการที่ศึกษาพุทธคุณและศึกษาบารมีใช่ไหมที่จริงวันนี้กะจะเดินศีลบารมีเฐานบารมีศีลบารมีเนคกระม่อบารมีก็จะสรุปให้จบได้สามบารมีให้ได้เนี่ยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรามาก็ไม่ไม่กังวลตรงนั้นะ เหตุไม่กังวลก็คือว่าการพัลนาคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยมันจบไม่ได้ไงเข้าใจไหมคนจบไม่ได้ถ้าใครไปตั้งพุทธคุณนกถาแล้วจบเนี่ยไม่มีไม่มีคนที่จะทรรเสริญคุณของพระศาสดาจบคนคนนั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าซะเองนี่เนาะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไปแค่ไหนก็แค่นั้นดีไหมเอาอย่างนี้นะอามาจะได้ไม่เร่งรีบ ถ้า เ, เร่งรีบเนี่ยมาก็สรุปปุ๊บปับปุ๊บปั๊บเลยเอามาไปฟังทีไรไอ้โหนวิ่งเร็วเกินนี่เนี่ยอามาก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไหวความ เ, เร่งรีบก็จะเป็นเหตุแห่งการที่ว่าหนึ่งเดี๋ยวอามาก็มนัสิการผิดอีกใจก็จะไม่เป็นบุญเอามาก็ต้องรักษาบุญตนเองไว้ลําดับแรกใช่ไหมท่านทั้งหลายก็รักษาใจของท่านเอามาก็รักษาใจเอามาถ้านับจากปัจจุบันนี้ไปในกับในี่ยสียสงขายยิ่งด้วยแสนกับ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 บารมีทั้งหมดนั้นอะ่ะจะดูว่าบารมีเหล่านั้นบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์ก็ดูว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นอุบัติเกิดขึ้นหรือยังถ้าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นอุบัติเกิดขึ้นนั้นบ่งบอกว่าบารมีของท่านนั้นเต็มถ้าไม่เต็มก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้สังเกตดูว่าขนาดนะในพบสุดท้ายแล้วท่านยังหลงทิศหลงทางอยู่ตั้งหปีอันนี้บ่งบอกถึงความยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์ยังไม่แก่กล้า ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ต้องรอจนถึงเวลาอย่างนี้เป็นต้นมีความเป็นพระเจ้าเป็นผลปรากฏมีมหากรุณาเป็นเหตุใกล้หรือมีความฉลาดในอุบายแห่งกรุณานั่นแหละเป็นเหตุใกล้นั้นบารมีทั้งฟวงก็คือทานศีลเนคขมาปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเวขาตรงนี้ก็คือว่าได้สรได้กล่าไวไปแล้วว่าบารมีทั้งหลายเป็นเหตุให้ถึงบรมธรรมดังกล่าวเนี่ย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 พ้นวิถีที่จะพึงนับได้อสังคยะสัพ์ในที่เนี้ยใช่ในความหมายว่ากาหนดนับไม่ได้เพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าทีบังกรยึงตรัสว่าในกับอันหาประมาณไม่ได้นับจากกับนี้ไปดาบทนี้จักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกเห็นไมแปลพะพุทธเจ้าบอกว่านับไม่ได้ถ้าในใจความก็คือว่านับจากปัจจุบันนี้ในกับอดีตเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากับ สุเมธาดาบทวก็หอไปทางอากาศด้วยฤทธิ์ในครั้งนั้นพระชินเจ้านามว่าพระทีปังกรพร้อมด้วยพระสงฆ์สี่แสนรวมและเสด็จไปยังรัมมะนาครรุ่งเรืองอยู่อันผู้ผู้อันเทวดาและมนุษย์ตั้งหลายบูชาอยู่ดูดผ้าทิตย์มีรัศมีตั้งพันรุ่งเรืองอยู่ในถ้ำกลางทองฟ้านั้น สุเมธาดาบทได้ฟังคําของพวกมนุษย์ซึ่งกำลังพยายามทําทางเพื่อพุทธเจ้าทีบังกรแล้วก็กล่าวท่านเหล่านั้นก็กล่าวว่าพุทโธเนี่ยพอได้ยินคําว่าพุทโธกล่าวคือพุทธเจ้าแค่นั้นแหละสุเมธาดาบทก็เกิดปีติทั้งห้ามีขุทกาปีติเป็นต้นวันนี้เราจะถวายร่างกายของเราแด่พุทธเจ้าทีบังกรพระองค์นี้ จากเป็นพระ เ, เ, เจ้าเช่นพระเจ้าพระองค์นี้ในนาคตนี่ใจเป็นอย่างนั้นสุมเมธาดาบทนั้นนอนทอดร่างกายตนเป็นสะพานบนเปือกตมดินแอ่งน้ําในทางนั้นก็คิดว่าขอพระเจ้าพราะองค์นี้จงเสด็จไปบนหลังของเราถ้าพระโพธิญาณจักสําเร็จแก่เราในนาคตเราดูภาพที่ทางชมลมจักแสดงให้ดูแล้วใช่ไหม ทีนี้ตรงนี้ขยายอสงไขเนี่ยนะในกลับอันนับไม่ได้ก็ผ่านมาตามลำดับเสียสงไข่ยิ่งด้ยแสนกลับเนี่นะตอนนั้นที่ว่าหาไปด้วยฤทธิ์เป็นต้นเหล่านี้พระชินเจ้านาะวาทีปังกรตรงนั้นก็มีพ่าตันหังกรเมียทางกรก็ไายมาตามลำดับตอนนั้นท่านบอกว่าครั้งนั้นสมเทธาดาบทเกิดในสกูลพราหมณ์ใช่ไหม มีสมบัตินับไม่ถ้วนในอมรอมวดีเป็นพรามกุมารมีนามวสุมเมธศึกษาจบไตรเพศเมื่อบิดามารดาร่วงลับไปแล้วก็สารวจดูทรัพย์สมบัตินี่ถ้าเราดูย้อประวัติของพระบรธิษัทเนี่ยจะเป็นแบบนี้ถามว่าคนที่ให้ทานด้วยอะโลพะเนี่ยอโลพะทานนแข็งแรงนะให้ไปเถอะถ้าให้ด้วยโลพะนเนี่นะให้ไปแล้วเป็นโทษ เป็นโทษแก่ผู้ให้แม้ไปเกิดในสังสารวัฏพอไปมีแล้วก็เป็นโทษไปฆ่าตัวเองในอนาคตทั้นถ้าจะให้ทานต้องให้แบบพระโพธิสัตว์ท่านให้ให้แล้วต้องให้มีอโลภาเป็นตัวสลักตัวไม่ยึดติดนั่นในวัตถุทานทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะตัวอะโลพาเนี่เป็นนามธรรมอโลพาเนี่ ย, นนรรยจะต้องไปฉาบติดกับวัตถุทานที่เราจะให้ด้วย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 ต้องฝึกตรงนี้ท่านก็บอกว่าท่านอยู่คลองเรือนนะอยู่คลองเรือนเพราะเหตุ น, นั้นนะนะพระผู้มีภระกนนรมิตรจงกลมในกาศในสมาคมเหงียญาติที่นิโคทาลมเพราะผูะพุทธเจ้าแสดงเองนะสูตรนี้นะ